ไม่เคยคิดมาก่อนเลยแต่พอปฏิบัติแล้วไปเอาความเชื่อนั้นมาจากไหนอาจารย์ก็ไม่ได้มาสอนเชิงปริยัตินะก็ะสอนไปเป็นการกังการแล้วเอาความเชื่อมาจากไหนหน่าแปลกไหมล่ะเหมือนกับคนเป็นบ้าไปหรือเปล่าพอไปทําก็เชื่อเป็นตุเป็นตาอธิบายเป็นตุเป็นตาแต่ไม่ใช่ตู่ตาอย่างเป็นภาพพวกเจ้าเข้าทรงก็พูดนะเป็นตุเป็นตาอย่างอธิบายจับเหตุจับผลได้ นี่คือผลจากภาวนาท้งที่ฝรั่งนั้นเป็นคนหัวสมัยใหม่บางคนเลยอ่าอย่างฝรั่งคนหนึ่งเลยไปสอนกรรมฐานเลยสอนเอาความเชื่ออย่างนี้ไปสอนคนอื่นก็นนกต่อไปอีกแล้วก็คนทางเอเชียเราก็เลยต้องไปเรียนกับพวกนี้ไปสมาทานความเชื่ออย่างนี้ยก็ดูแล้วก็เป็นเรื่องแปลกดีแปลกดีในทางการค้นหาข้อมูลด้วยวิธีอย่างนี้ และมันถึงเป็นเรื่องของใครของมันเพราะเอาไอ้คาว่าเป็นเรื่องใครของมันมาเนี่ยทําให้มันไปกระทบล่วงเกินคนอื่นเขาเนะ่ยใช่ไหมฮะเมื่อเราทําเห็นแล้วเราเชื่ออย่างเป็นเรื่องของเราเนี่ยลคนเชื่อก็เห็นแล้วไอ้ความตัวเองเชื่อเนี่ยพอไปนึกถึงคนอื่นแทนที่มึ ง, งโง่มึงยั ง, งโง่อ ย, งอย่างนี้กี่เลนนะคนนอกขอกนอกาศาสนาโดด่าเขาส่งนี่นะไม่เป็นอย่างนั้นกับเกิดความรู้สึกยังไงเมื่อไปปลาลก ปลาโลกตัวเองไม่เห็นอย่างนี้ด้วยความยากลําบากเชื่อพอไปนึกอีกคนไม่เชื่อไหนโกรธเขาไหมดูถูกเขาไหมยกตนข่มเขาไหมไม่เห็นใจเห็นใจแล้วก็เราอย่าเห็นใจยังเห็นกระแสเหตุผลที่เขาไม่เชื่อเพราะไอ้ตรงนี้นะมันยังไงมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วทําเพราะว่ามันเล่นกับกิเลสตัวนี้เชื่อมันก็รู้เกิดรู้ผลใช่ไหม และทำไมจึงไม่เชื่อมันก็ต้องเห็นในทางตรงกันข้ามเลยอะไรทำให้ไม่เชื่อและอะไรถึงไม่เชื่อถึงสงสยัยเป็นยังไงมันอธิบายทั้งมุมบวกมุมปฏิเสธได้ชัดเจนหมดในหน้าที่สามที่ผมคัดเป็นหลักฐานมาให้ดูสองที่เทียบกันนะและพระเจ้าได้ทรงตรัสรับรองว่าคนอริยสาวกที่ปฏิบัติเห็นอย่างนี้ ก็จะไม่ไอ้คาว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหมายถึงกองนามรูปในส่วนที่เป็นผลและเอาขอประทานโทษกองนามรูปในส่วนที่เป็นเหตุและปฏิจจสมุ ป, ปันธธรรมหมายถึงกองนามรูปในส่วนที่เป็นผลชีวิตเราเนี่ยทุกๆหน่วยที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตเราขึ้นมาไม่มีอะไรมาก นอกจากความเป็นเหตุและเป็นผลแล ะ, ะหน่วยประกอบชีวิตของเราทุกหน่วยมีฐานะเป็นทั้งสองอยู่ในหน่วยเดียวกันเป็นเหตุด้วยเป็นผลด้วยและเกิดขึ้นจากเหตุหลายๆเหตุด้วยตัวเองก็เป็นเหตุแก่ผ ล, ลหลายๆผลด้วยและเหตุที่เป็นเหตุของตัวเองเนี่ยก็ มีพลังของความเป็นเหตุในลักษณะต่างๆกันด้วยตัวเองเป็นเหตุแก่ทำอื่นก็เป็นเหตุในลักษณะต่างๆกันด้วยพวงนี้นะอธิบายกันไม่หวาดไหวหรอกแต่จะยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งซึ่งมันบางประเด็นก็อยู่ในเอกสารชิน้นชิ้นหลังนี่แหละวางประเด็นก็ไม่ได้ไม่สามารถจะมาพูดได้ในเรื่องนี้แต่ว่าเล่าให้ฟังได้ว่า ผมถามว่าอย่างนี้นะให้พิจารณาเรื่องนี้ว่าคนที่ฆ่าเขาตายเนี่ยถามว่าเป็นกรรมหรือเป็นกิเลสสร้างกรรมหรือสร้างกิเลสสะสมกรรมหรือสะสมกิเลสปากไม่ต้องออกเสียงกันรู้ใครตอบแบบไหนแต่กิเลสก็อาปากกรรมก็หุบ ป, ปากภูกทั้งคู่ครับ ท่านบอกว่าเป็นสองอย่างเพราะอะไรเพราะคนฆ่าคนอื่นตายเนี่ยมเีเจตนาที่จะทําให้เขาตายเป็นอกุศลกรรมวาณาติบาตกรรมและถามว่าตอนนั้นมีกิเลสไหมมีกิเลสกิเลสอะไรเป็นหัวหน้าโพสะอิเลสและยังมีกิเลสตัวอื่นแวดล้อมอีกหลายตัวสะสมด้วย เพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าสัตว์บ่อยๆบ่อยๆฆ่าอย่างเป็นอาชีพนี่นะเวลากรรมส่งผลเวลาตัวเองไปเกิดใหม่เนี่ยสมมุติว่าไอ้กรรมชาติอื่นมาทำให้เป็นลูกคนรวยไม่ต้องไปยิงนกตกปลาล่าสัตว์อย่างที่ทำไว้เมื่อชาติก่อนในขั้นเหตุ น, นะตัวก็จะไปเกิดมาก็ติดนิสัยมาไอก้กรรมยังไม่ให้ผลนะ เพราะว่ากุศลมันเข้ามาแทรกตะกิเลศมั น, ม, นมันไม่จําเป็นต้องแปดกันนี่จำไหมละ่ะมันแยกกันก็มีแฝง ก, กันก็มีแล้วแต่จังหวะเบี่ยงเบนของปัปจจัยอื่นคนนี้ก็จะติดนิสัยฆ่าไม่ฆ่าเป็นอาชีพเขาก็ฆ่าเป็นกีฬาฆ่าเป็นกีฬาพอฆ่าไปฆ่าไปฆ่าไป ไอ้ที่ทําไว้ด้วยการช้าดีแล้วกรรมมันก็เลยได้จองมันก็มาให้ผลในจังหวะที่ตัวเองมาสั่งสมกิเลสต่อใช่ไหมล่ะไม่ได้ทําบุญกั้นกลางก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นกลายเป็นคนที่มารับเพราะกรรมด้วยโดนฆ่าตายบางเป็นโรคไปใกล้เจ็บฟับงโอตัวอย่างเรื่องราวาให้ฟังนี้ก็เล่าเล่าไว้ในที่อื่นที่มันสมควรกับเรื่องอย่างนี้ไว้ยเยอะแล้ว ก่อนมาบรรยายนี่ก็ได้เล่าให้กับบางผู้บางคนฟังเป็นตัวอย่างไว้หลายเรื่องเก่นเดียวกันมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะจึงชื่อว่าสั่งสมทั้งกรรมและกิเลสถามว่ากิเลสมีประโยชน์ไหมกรณีนี้พึ่งมันได้ไหมไม่ได้นอกจากคนเข้าใจทิดหมายคนี้มันเที่ยมดีใจถึงดีมันยังไม่ทันจะถอดกางเกงเรียนเลยมัน ไปปล้นฆ่าเขาแล้วติดคุกแล้วอะไรมยนก็ติดคุกอะไรจริงๆวีมันติดมากล้าทําผู้ใหญ่ยังไม่กล้าเลยมันกล้ามันไอที่ลงข่าวเด็กๆที่มันแย่งต้นจักรยานเด็กเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกันแท้แท้ยังเด็กอยู่แท้แท้ตัวก็เด็กไอคนถูกฆ่าก็เด็กนะจําข่าวได้ไหมเราก็จะหลดใจว่าอันนี่มันถึงขนาดลงมือฆ่าอย่างตั้งใจไม่ใช่ ไปพลั้งมือแล้วตายนะมันตั้งใจฆ่ า, าตายเลยแล้วก็ตายสมปราถนามันก็เลยไอ้สองอย่างนี้ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคนทำกุศลเนี่ยมันก็ได้สองอย่างยังทำวิปัสสนาได้บุญด้วยแล้วก็ได้นิสัยแต่การทำวิปัสสนาเนี่ยท่านเอาค่าทางนิสัยเป็นเรื่องสำคัญ ทำไปนานๆเข้าจริงๆท่านบอกว่าบุญสูงขึ้นนะแต่บุญนั้นถูกทําให้เป็นหมันมากเข้ามากเข้ามากเข้าทาเรียกว่าทาบุญชั้นสูงเลยไม่เอาบุญนะทาภาวนาเนี่ยทําบุญชั้นสูงนะตีค่าในทางความเป็นบุญบุญชั้นสูงแต่ทําแล้วเกิดมองข้าหมหัวบุญไปไปเอาอย่างอื่น เอาพลังในทางล่กิเลสพลังภาวนาใหมพอไปเป็นอราหันต์เข้าบุญสมบูรณ์แบบเลยไม่เอาบุญเลยพูดอย่างนี้เราก็นึกถึงเวลาเราผ่านวังในหลวงเห็นโรงงานหลายโรงงานจ่มาเราก็มานั่งนึกว่าเอทําไมเนี่ยในหลวงท่านถึงไม่ทําธุรกิจนะมาตั้งโรงงานแล้วก็ทําการค้าไดเลย คิดว่าท่านทําได้ไหมท่านสามารถทําได้ไหมได้ทําไมท่านไม่ทาแล้วท่านทําอย่างนี้ท่านทําำอะไรเรื่องธุรกิจเรื่องผลประโยชน์ในทางกํำลิกําไรนั้นต่ําไปซะแล้วใช่ไหมต่ําไปสาหรับท่านแต่แล้วสิ่งที่ท่านต้องการนะ่นคือเรื่องที่เป็นผลประโยชน์สูงันนี้เราใช้ภาษาธรรมะนะ ผลผลประโยชน์เบื้องสูงขึ้นไปโดยลําดับเพราะนัน้นนี้กเ็เรานึกถึงความต้องการของพราหารเนี่ยคล้ายๆกันอย่างนี้เลยสิ่งเหล่านี้ไปแล้วไม่ใช่เพราะโง่ไม่ใช่เพราะไม่สามารถแต่เพราะญาณปัญญาเพราะความประณีตของกุศลที่ข้ามเลยไปสิ่งเหล่านี้ก็ตักเวยเล่าพระสูตรขนาดกษัตริย์ลิจวี <c oughs> นั่นยังทําธุรกิจะ <c oughs> ก็ศัตว์สมัยก่อนทําทยังทําไรท่ทํานาเลยนะทีนี้อย่างในแคว้นวัชจีเนี่ยมีพระเจ้าแผ่นดินหมุนเวียนกันมาเป็นเจ้าแผ่นดินแบบมาเลเซียแล้วมีองค์หนึ่งที่มาพบลูกน้องเจ้าเลยได้รู้เรื่องนี้ขุมกองเคลียร์ห้าร้อยไปทําธุรกิจการค้าในสมัยที่ตัวเองพ้นเวรจากการเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ไปบริหารบ้านเมืองพ้นเวรก็มาทําธุรกิจบางทําอย่างอื่นนี ที่ตัวท่านเนี่ยเลยเป็นว่าทําไปทํามาเลยเกิดไม่อยากได้บุญเลยคล้ายๆว่าทําแล้วบอกไม่อยากได้พลังทางบุญแล้วเพราะพลังทางบุญเนี่ยนําอะไรมาให้อะนําอะไรมาให้นําทุกมาให้วัตถุทุกคือนามรูปถูกไหมคนที่อยากได้บุญเน่ยคือคือผลอยากได้ผลของบุญพลังในทางทุกแต่พลังอีกด้านหนึ่งของวิปัสสนาเนี่ย มันพลังทางไรเลนเลยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นพลังมัมชัดจะไม่ไปได้วยกันเนี่ยไม่ไปได้วยกันก็คือให้พลังทางวิปัสนาทำให้ไม่ติดไม่ต้องการในนามและลูกต้องการพ้นแล้วก็หมดเยื่อใหญ่ในบุญความรู้สึกอย่นี้ถึงจุดเต็มบริบูรณ์ก็เป็นอาหานแล้วก็ตัดเลยตัดใจสลัดสลัดความต้องการในบุญ โดยปริยายไปเลยเป็นปกติไปเลยการกระทำท่านก็เลยเป็นกิริยาทีนี้ก็กลับมาหาเร า, า <c oughs> แล้วจะให้เราทำยังไงให้เราต้องการผลทางบุญหรือผลในทางพลังภาวนาคือหมายถึงมีไว้เพื่อละกิเลสละทุกข์กลับมาถามเราเรื่องนี้นะเมื่อกี้อธิบายทางหลักขึ้นไปขั้นสมบูรณ์ บางคนเวลาจะเอามาใช้แล้วไปดึงสูงมาใช้กับตัวเขามันไม่เข้าที่มีคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยฉันอ่าทําบุญท่านอาธิษฐานแล้วก็เลยพูดถึงเรื่องพระอาหารหันต์ก็เลยบอกเอ๊ะพระอาหารหันต์ทำบุญแล้วไม่ต้องการผลบุญเอ๊ะเราไปอธิษฐานเอาเราเราก็ไม่ดีเลยทีลืมไปว่าตัวเองไม่แย่อาหารหันต์ทำงานก็ยังเอาเงินเดือนอยู่อย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องต้องต้องการไปตามระดับชั้นใช่ไหม เพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราทํำเราต้องการผลในทางบุญด้วยแล้วก็ผลในทางลาด้วยไอ้ผลทางลาดเราก็เอาออกหน้าไอ้ผลทางบุญก็เก็บไว้เป็นตะเบียงเป็นปัจจัยอุดหนุนเพราะไอ้บุญอย่างนี้นะ่ะถ้าเราตายแล้วยังบรรลุอลหรหันต์ไม่ได้เกิดชาติหน้าก็เป็นตีเหตุุกาบุคคลก็ได้ใช้เป็นทุนต่อทุนภายในจะไม่เอาเขาก็เกิดงอนขึ้นมาบอกงั้นฉันไม่เอาแล้ว ฉันไม่ส่งผลนะเลยไปกวักมือเรียกไอเหตุกกะกุศลม า, าเออแกมานี่เขาลังเกียจฉันเจอไ่ช่วยส่งผลนาเกิด้เลยกลายเป็นเหตุกะปฏิสนธิมิสัยอยากจะทำกุศลทำไม่ได้เหมือนอย่างนาคต้องแอบมาบวชนี่แหละติปฏิสนธินำเกิดมันเป็นเหตุกกะแต่วาสนาบารมีที่สั่งสมมาใครในกรมาจารย์แต่แล้วก็ทำไม่ได้ ก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นกันแล้วอขอกล่าวถึงต่อไปเราเหลือบลงมาดูวิจิกิชาบแปดที่เรามักจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆอันนี้ก็มาจากาพระไตปิฎกเล่มสามสิสี่นะตั้งแต่สงสัยนพะระพุทธระธรรมแระสงแล้วก็ในศีกขาตรงนี้ก็เป็นความสงสยัยความจริงนะเป็นทั้งเบื้องต้นด้วยนะฮะสองข้อนี้ แล้วก็เป็นทั้งเบื้องปลายด้วยเพราะว่าความสงสัยในพระพุทธเนี่ยมีหลายชั้นความสงสัยในพระธรรมก็มีหลายชั้นความสงสัยในพระสงฆ์ก็มีหลายชั้นความสงสัยในสีขาบทก็มีหลายชั้นความสงสัยในชั้นหยาบเป็นความสงสัยชั้นต้นขวางการปฏิบัติขั้นต้นความสงสัยในระดับลึกเอาเอาก็อธิบายเลยงีง สงสถ้าสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือหยาบหรือละเอียดหยาบใช่ไหมความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือมีคุณอย่างที่สวดกันจริงหรือมีคุณวิเศษต่างๆจริงหรือใช่ไหมอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูเนี่ยผมก็ว่าหลายคนก็ยังอดสงสัยไม่ได้ นักโบราณนัดีเชื่อแน่แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแต่เขาเชื่อแน่ไม่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูจริงอย่งนั้นคงมาเป็นพุทธกันประลึกก็แล้วเรียนวิญญานี้แล้วเป็นพุทธไปเลยต้องมาเรียนธรรมะถึงฝรงั่งถึงมาเป็นพุทธความสงสัยในพระธรรมเหมือนกันเชน่นสงสัยว่าพระไทยปิดกเนี่ยคนรุ่นหลังเขียนขึ้นหรืมั้ง อยากไปละเอียดอยาแต่สงสัยเนื้อหาในพระไตรปิฎกว่าวิปัสนามรคผลที่ว่านั้นเป็นไปได้การปฏิบัติในนั้นเอามาปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้หรือไม่นี่เป็นขั้นละเอียดกว่าเหมือนอย่างว่าเราสมมติว่าเราอ่านเรื่องวิปัสนาวิปัสนาถ้าเป็นเมื่อก่อน ในพระไดไปิกว่าภาณนาว่าสติประสานสีมีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้ตามลำดับไปนิพพานได้ละความทุกข์ความโทมนัสได้ทำให้สัตว์บริสุทธิ์ได้บางแห่งก็ภารณาอนิสงส์เป็นประการต่างๆว่าถ้าผูดด้ใดหวังว่าจะพึงแสวงหาปัจจัยสีแล้วให้แสวงหาปัจจัยสีนั้นได้ หวังให้เป็นที่เคารพรักอย่างลึกซึ้งจากบุคคลในสังคมของตนของตนให้รักษาศีลตามสมาธิและปฏิบัติวิปัสสนาเราต้องต้องเห็นเป็นเรื่องขำเลยใช่ไหมล่ะแต่เป็นชาวไร่ชาวนาบอกโอยท่านทำนาหามลุ่งหามค่ำหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดิน ยังไม่พอจะกินแลยมุจะเอาเวลาที่ไหนไปทําวิปัสนามีต้องอดกันทั้งบ้ามันไม่มีเหตุผลที่อธิบายได้เลยใช่ไหมละ่ะที่จะพรฒนาถึงกระทั่งว่าทําให้คนบริสุทธิ์ากิเลสนอกจากก็จะไม่เชื่อว่าทําให้บริสุทธิ์ยังกลัวตัวเองจะไม่มีกิเลสอย่างที่ว่าๆอีกคนกลัวหมดกิเลสไหมขนาดกิเลสเนะี่ยยังตีข้าผิดเลยใช่ไหมละ่ะ ยังนึกว่าเอ๊ไม่โกรธได้ไงไม่โกรธแล้วจะปกครองคนได้เี้หรือไม่หวงได้ยังไงไม่หวงก็ก็แย่ดีเสียเปรียกก็แย่ไปยอมเขาได้ยังไงอย่างงูยอย่างนี้อ้างกันเนสะะารพัดก็เป็นเรื่องก็เกี่ยวกับความสงสัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นต่ําเป็นสูงได้ในความเป็นพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยนั่นแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยต้องขั้น เบื้องต้นต้องจำละให้ชัดครนีสงสัยข้อ5ถึงข้อ8เกี่ยวกับอดีตปัจจุบันอนาคตและก็ปฏิจจาร์เนี่ยข้อนี้นะ่ะอธิบายรับกันว่าข้อหนึ่งข้อไอ้ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดนั้นสงสัยที่ยกผลขึ้นเป็นหลักคล้ายๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าควรตายแล้วเกิดจริงไหมทธิแล้วเรามีจริงหรือไม่สำหรับข้อปฏิจาอธิบายเป็นเชิงละเอียด เป็นให้การให้เหตุผลละเอียดอย่างชนิดที่ว่านามรูปนั้นก็เป็นทั้งเหตุทั้งผลแล้วก็เป็นเหตุผลในลักษณะที่สืบเนื่องกันคนที่ได้ยานที่สองแล้วจะหลุดจากความคลางแคลงตรงนี้ไปได้เนาวล้ครับเอกสารชุดหนึ่งเราผ่านไปท่านนี้แล้วก็มาดูเอกสารชุดสองจะต้องให้จบนะชุดสองนี่แล้วก็ไม่ได้ หมายความว่าทุกตัวอักษรจะต้องอธิบายไล่เรียงเขียนไว้เพื่อเผื่ออ่านบางส่วนแล้วก็เผื่ออธิบายแบบกระโดดไปกระโดดมาถ้าบางส่วนในประเด็นที่หนึ่งที่สองในประเด็นใหญ่นะที่สามเป็นในยะคือพูดง่ายว่าเวลาคนไปเห็นเหตุปัจจัยของนามลูก ถามว่าเห็นในรูปแบบไหนจะไปกะเกณฑ์ทุกคนให้เห็นในรูปแบบเดียวกันได้ไมั้ยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเห็นได้อย่างไรเห็นได้ยกะแยะนะไม่ใช่เฉพาะแค่ที่ผมเก็บมาจากวิสุทธิมรรคมุมของการเห็นเนี่ยใครปฏิบัติตามมุกวิปัสนาใดเวลาเห็นโอกาสที่จะเห็นในมุกตามมุกของวิปัสนาที่เป็นบับนั้นแบบนั้น ก็จะเปลี่ยนไปได้มากเช่นถามว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นรูปเห็นเพจปัจใจงรูปนามในมุกไหนเมื่อท่านทำถึงยานที่สองตอบว่าเห็นตามมุกของปติจาสมุบบาทถ้าถามเพราะว่าใครบอกไว้ผมตอบว่าอัตกรกถาบอกไว้ด้วย แล้วก็ในพระสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัส บ, บอกไว้ด้วยว่าเมื่อเราแต่ก่อนจะตัดสู้เป็นพระโพธิสัตว์เราได้เกิดความปริวิตกแห่งจิตขึ้นว่าทุกข์คือชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอะไรหนอก็สาวไปหาถึงชาติ ตามลำดับของปฏิจจสมุปบาทจนถึงอวิชชาอันนี้เริ่มจากสายปฏิโลมก่อนสายผลสาวกลับไปหาเหตุและสายอนุโลมพิจารณาสายโลมเพราะวิชาเป็นปัจจัยจนกระทั่งมาถึงชาติเป็นปัจจัยแกชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนทัสอุปายาสนี่ท่าน เดินตามแบบนั้นก็เห็นในลักษณะอย่างนั้นและพระภิกษุผู้ปฏิบัติวิปัสนาแต่อดีตแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยเราอ่านจากข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนะ่ยมีอยู่ที่เป็นข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะพระไติดกเล่มสิบหกเล่มสิบเจ็ดเล่มสิบแปดเล่มสิบเก้านี่จะให้รายละเอียดเป็นเกร็ดต่างๆอย่างนี้เยอะว่าพระองค์ไหน ทำแบบไหนบรรลุรอบแบบไหนบางท่านก็วิปัสนาบางท่านก็ขันบางท่านก็อายตนะอันนั้นคือเป็นมุกเวลาเห็นก็เห็นกระแสความเป็นเหตุเป็นปัใจจัยในมุกนั้นแมุกอย่างปฏิจจาเนี่ยของเราพออธิบายแล้วเรามืดเป็นมุกมืดมุมมืดนึกไม่ออกว่าทําเป็นวิปัสนาได้ยังไงเราจะทํำยังไงมองไม่เห็นมุมที่จะทําได้ในทางปฏิบัติจริงใช่ไหม ไม่เหมือนกับเอาหายใจเข้าหายใจออกเออเห็นความเป็นไปได้คองยุบเหอเห็นความเป็นไปได้ตาเห็นสกากแต่วเออเห็นความเป็นไปได้ทำไมล่ะเพราะไม่มีสำนักสอนเมืองไทยไม่มีสำนักสอนอย่างนี้ต้องไปพม่าครับรยกวิปัสย์ยกปฏิจจาวัณณนมุขพูดแล้วก็คนก็นาเบื่อแม่อะไรกันจะให้กลางน้ำกางทะเลไปนู่นเดี๋ยแล้ว ก็ผมงบอกว่าไอ้วิธีปฏิบัติมุกของการปฏิบัติเนี่ยส ำ, สำนักจริงๆกับหลักทฤษฎีไม่พอกันไม่พอกันกับการตอบรับในทางอธิบายและทางทดลองของผู้สนใจศึกษาเรื่องพวกนี้เราก็รู้จักได้แค่ไหนก็ทำไปอย่างเอาที่หาอาจารย์ดาหาสำนักแต่พระพุทธเจ้าทำอย่างนี้พระอีกหลายองค์ทาอย่างนี้ทีนี้บางคนเขาอาจจะทาไปลักษณะมุกอื่น มันมีอยู่มุกหนึ่งที่ผมยกขึ้นมาเป็นเรื่องเกือบจะท้ายเลยนะนี่เอกสารต้องให้รถเข้าไปส่งอีกเที่ยวมันตกไปประเด็นในข้อสามหน้าสามข้อหกหน้าสามข้อหกนี่เป็นมุกที่พระพุทธ เ, เจ้าโดยทรงตรัสสอนไว้ในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะเล่มเก้าเกือบจะทั้งเล่มเลยครับ สอนปรากฏอยู่ในเรื่องวิชาแปดประการมีวิปัสนาท่านก็ย่อซะเป็นอันเดียวแต่พอถึงอภิญญาพูดสะครบเลยฌานพูดครบแต่วิปัสนาพูดเป็นอันเดียวอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ในดีนั้นเรี่ว่าเป็นอันเดียวนี่คือไม่ได้ลําดับยานและหลายคนก็อาจจะเคยอ่านผ่านตาแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่อง ทฤษฎีของวิปัสนาอ่านแล้วมองไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรนะและบางทีก็จะไม่เห็นคุณค่าอะไรมากด้วย เ, าเราดูนะในวิปัสที่คือหัวข้อวิปัสนาวิชาในวิชาแปดประการนี้เป็นมุกอันหนึ่งที่ตรัส <c oughs> ว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลศอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดังนี้นี่ผมมาแยกประเด็นให้ดูเป็นจุด ๆ, ๆ, ๆไปเป็นห่วงๆไปตรงนี้น่ะ <c oughs> เป็นวิปัสนาปาทกาฌานหมายความว่าในที่นี้ทรงแสดงถึงการทำวิปัสนาของผู้ที่ทำฌานเป็นบาทก่อนหน้านี้ได้ทรงพูดถึงฌาน <c oughs> ที่หนึ่งถึงฌานสี่ ว่าเมื่อทําได้ฌานที่สี่แล้วว่าจริงๆความเป็นไปได้เนี่ยไม่จําเป็นต้องถึงสี่ก็ได้ท่านอธิบายไว้เต็มหมดสมบูรณ์หมดเมื่อถึงฌานสีน่แล้วท่านก็จะมาทําวิปัสสนาต่อท่านจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นคือภิกษุที่ได้ฌานเพื่อออกจากฌาเนเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์องแผ้วในระดับของตะทางอของวิคัมมะนะปหานไม่มีกิเลสปราศจากอกิเลสเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าสมาธิเขาช่วย นะถ้าพูดเป็นภาษาหรูๆนี่ห ล, เลยเคลียร์พื้นที่ให้นะเตรียมตั้งอาสนะเตรียมตัดกวาดนีศีรนะสันผัดเพราะเราไม่ต้องไปยุ่งกับกิเลสพวกนี้ไม่งั้นล้วก็ต้องต่อสู้กิเลสแม่ห ย, ยาบหยาบแล้วก็นอกจากไม่ต้องอยืมเหล็กเรายงได้พลังจากฌานด้วยฌานที่ทําเป็นบาข้อให้พลังคนแค่ใดฌานนี้ก็พอพลังปิดมนุษย์แล้ว ใช่ฮะอะไรอะไรดูก็เห็นว่าผิดมนุษย์ตั้งเยอะแล้วเพราะนั้นถึงบอกว่านี่เป็นจิตอ่อนควรแก่การงานี่สําหรับคนที่จะเอาไปต่อนะถ้ารู้เอาไปต่อเนี่ยก็จิตจิตใช้ได้หละเหมาะมากตั้งมันม่นในหวันไหวเว้ยถ้าไปทําแล้วก็โอโกาสที่จะเป็นความเพียรขั้นตรกมรรมเกยดเอาหน้าขั้นเข้มข้นตรงนี้ที่เรียกว่าเป็นใช้อัตมานะนาาถึงควรธรรมะอาทิจิตสรีขาด้วย นี่คือเอาฌานมาใช้เป็นฌานนั้นเป็นอธิจิตติกาความตั้งใจความสำคัญค่าของฌานอย่างถูกจึงทำให้ฌานนั้นพิเศษเป็ น, ปนอธิจิตอย่างนี้ถึงลักษณะ่านต่อไปที่ว่าสมถะปัสนายกยนิกโยยะลาวยาซึ่งมันหมายถึงอธิพระองค์นี้กำลังทำ ไม่ใช่สุขวิปัสสนาเหมือนอย่างในวิสุขติมากอย่ากได้ยกเลยอย่างที่ผมอา่านสุขวิปัสสก์เรียนแต่เป็นสมถยีมถยานิกสมถียานิกกัปปสนาเป็นสมถียานิกกัปปสนาคือวิปัปสส น, น, นาที่มีสมถะเป็นญาณเป็นบ่สบาง ท, ทีใช้คำวิญญาณก็เรียกบางทีก็ตกปาฏะก็เรียกสรัดตรงนี้ย่อมไปฌานทัศน์ แต่แต่ไหวเห็นด้วยกันนะยะไปทำแต่เห็นด้วยกันนะเธอย่อมรู้ชัดอย่างว่าจะอาราณายันแต่ว่าตรงนี้ผมบอกเสมอว่าความตรงนี้ความหมายถึงที่เข้าเนี่ยต้องออกจากถอยจิตออกจากฌานฌานจะเป็นทั้งฌานทั้งวิปัสนาในตัวเองไม่ได้เพราะเหตุว่าฌานนี่ยเป็นจิตเหมือนเป็นจิตแ่แข็งนะทาอะไรไม่ได้แล้ว ต้องออกจากฌานพอยจิตออกจากฌานแล้วก็น้อมใจไปน้อมจิตนี่คือทําจิตให้เป็นวิปัสนาหรือพูดสันส้นๆว่าก็คือออกจากการแล้วก็ทําวิปัสนาต่อ น, นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นจิตตอนนี้มันก็เป็นหัวเรียวต่อที่จะเรียกได้ว่าเป็นอารัธวิปัสนาอารัธาแปล ว, ว่าตั้งตน้นเริ่มตน้นเป็นหัวเรียววัดต่อ วิปัสนาเริ่มต้นหลังจากอ อ, ก เ, อ, อเวลาท่านพูดนะแหมพูดเหมือ น, นยังง่ายอย่างใจหวังนะง่ายอย่างใจหวังคือออกจากฌานแล้วก็น้อมมาสู่วิปัสนาถามว่าง่ายจริงๆริงไหมสำหรับคนทําได้ขั้นนี้ขั้นฌานนี่ถ้าเป็นพระที่ทันเทศปโปรดก็ง่ายจริงๆไอ้ทีเราสายหน้าน่ะก็เราตอบด้วยหัวใจของเราก็สมควรแล้วหน่านับถือเราเตรียมตัว ของเราก็ไม่ง่ายแต่คนที่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพอเมนใจไปเนี่ยมันมองไปทางไหนมันก็เห็นนะนะเราเราเทียบเหมือนกับระดับอย่างเร า, าอ่ะพราะมันถึงจุดนึงเนี่ยมองไปสำเนียบไปทางไหนมันโล่งมาหมดเลยโล่งมาหมดมองในปฏิบัติเนี่ยไอเรื่องยิ่งคิดในยิ่งมันไม่มีจุดตันโล่งหมดโล่งหมดทีนี้เมื่อคนที่ทํา ความพร้อมมาจนถึงจุดนี้สำหรับผู้ที่มีวิสัยบารมีแล้วก็เข้าสู่กระแสยานวิปัสสนาญาณพลิกไปอีกหน้าเป็นวิปัสสนาญาณ น, นะที่จะเกิดข้อความทุกคำมีความหมายรับ ก, กันกับที่อื่นๆอย่างดีถ้าไปอ่านพระไตรปิฎกเองนก็พิมพ์เรียงติดกันหมด แล้วก็อ่านแล้วก็ก็พอทราบแต่ว่าถ้ามาถอดเป็นจุดๆเนี่ยเราก็จะได้ความอย่างนี้ครับที่ตรัสว่านี่อารมณ์แล้วนะฌานเนี่ยเขามีอารมณ์พอออกแล้วเนี่ยออกจากฌานแล้วไปจับอารมณ์อื่นก็เรื่องนอกวิปัสสน า, าหรือจับตัวเองแต่ถ้านึกอย่างไม่เป็นวิปัสสนาก็ไม่ใช่วิปัสสนาอีกใช่ไหมเราเองเนี่ยใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวทุกวันแหละใช่ไหมละ่ะคนทําวิปัสสนาใจเขาอยู่กันื้อกับตัว แล้วทําไมถึงไม่เหมือนกันเนียกว่ามองคนละมิติคนละมุมมองกันคนละด้านเมื่อมองถูกด้านใจมันก็เป็นคุณสมบัติอย่างด้านนั้นไม่เป็นคุณสมบัติอย่างอีกด้านนังนนั้นก็เริ่มต้นสลีละนี้ทั้งหมดเลยครับนี่ไม่ได้กล่าวเป็นเชิงขันมองกันอย่างเป็นรู ป, ปกายนามกาย ที่เราพูดกันสั้นๆติดปากมาถึงตรงนี้ว่ารูปน้ำนั่นแหละครับเป็นการมองอย่างสั้นว่ากำหนดรูปกำหนดน้ำตั้งหลักอย่างนี้รูปประกายน้ำประกายในคำพีถ้าถึงมุมตรงนี้จะใช้ครูปประกอบก็ดูแล้วมันรูปรัดดีใช่เป็นการตั้งมุกแบบสอดคล้องกัยานสองใช่ไหมฮะยานสองไอ้ยานหนึ่งเนี่ยยานหนึ่งแยกรูปแยกน้ำ ตั้งมุกแบบเข้ายานเลยครับเข็นมุกเข้าหายานเลยก็ดูก็สะดวกดีไม่ต้องมานั่งสงเคราะว่าเอ้เนี่ยนะจักขูจับขายัตนาเป็นรูปราขันหรือนามาขันต้องมานั่งพิเคราะห์กําหนดจับกันเอาอีกงานจะดูแล้วมันจะยุ่งยากรับซ้อนไปในบางความคิดของบางคนนั่นพอตั้งหลักว่ากายของเรานี้ ความจริงร่างกายเนี่ยเป็นสมมุติหรือเป็นปรมัดกายของเรานี้กายนี่ตั้งหัวจวดตาเป็นสมมติประมัดเป็นสมมุติเป็นอุปาทาบัญญัติยังจำได้ไหมเป็นอุปาทาบัญญัติหมายความว่าร่างกายเนี่ยเป็นสมมุติที่คลุมปรมัดอยู่เราต้องเปิดผ้าคลุมแล้วก็ดูเข้าไปในนั้น หรือเป็นหีบสมบัติเราหันหน้าเข้าหายหีบสมบัติเนี่ยใจเราพุ่งไปที่พุ่งอยู่ข้างนอกหีบหรือว่ามุ่งจะเข้าไปภายในหีบทรัพย์สมบัตินะมุ่งเข้าไปในนั้นเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่านี่เธอร่างกายของเธอเนี่ยมันเป็นเหมือนหีบก็จริงนะว่าบางคนก็ยันทานบางคนก็กระส์เรียกว่าสีสันต่างกัน ทำขึ้นมาจากพจชนะต่างกันแต่ว่าในอัตภาพซึ่งเปรียบด้วยหีบเนี่ยมีรัตนะเหมือนกันเลยเนี่ยครับเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่คนไม่เห็นคุณค่าใช่ไเรานั่งอยู่เนี่ยหีบสมบัติทั้งนั้นแ ต, แต่ว่าไม่รู้จะไปจำนำที่โลงจำนำได้ไหนได้นะ ไอ้ที่เขาจับตัวไปเรียกขาสายก็ไม่ได้ไปจับเอาไปเรียกร้องด้วยเอารูปเอาน้ำเอาเหตุปัจจัยในนั้นไปขายกันหรอกนะก็เอาเอาข้างนอกเอาหีบไม่ได้เอาข้างในก็เวลาพระพุทธเจ้าบอกทีเราก็นึกเตียมแลนะ้จะต้องเปิดให้ได้นะเปิดด้วยวิธีการทางปฏิบัติให้เห็นใ น, นนั้นให้ได้ แล้วก็ทำนำเข้ามาศึกษาทีละชิ้นทีละส่วนหาความเพชรเท็ดจริงของมันตีค่าตีราคาให้ถูกนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์โดยลำดับสูงสูงขึ้นไปให้เหมาะให้สมแต่นึงต้องตั้งตรงนี้ดูที่ที่บัญญัติที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นอุปาทาบัญญัตินี่คือบริเวณนะเรียกว่ากำหนดบริเวณทำเลตำแหน่งที่เราจะ เจาะลึกเข้าไปหาปรัชญธรรมที่อยู่เนนั้นแสงการว่ากายของเรานี้ไม่ได้พูดว่าเดินจงกรมไม่มได้พูดว่ายังงูอย่างงี้เลยเพราะอะไรเพราะคนที่เตรียมใจมาถึงขั้นอย่างนี้เนี่ยหันความคิดไปอย่างปฏิบัติเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่คิดนะหันความคิดกําหนดเข้าไปที่ไหนเนี่ยมันล้วงหมับเข้าไปถึงนั่นเลย ไม่ต้องมาบอกว่าเดินจงกรมไม่ต้องมาบอกว่าอย่างโอย่างงี้กับมุกนี้สำหรับคนที่มีพื้นฐานนี้ขอให้ทันนึกถึงประสบการณ์ของท่านาเมื่อใจท่านอยู่ในจุดที่ดีๆเนี่ยหันไปทางไหนทางไหนเนี่ยมันไม่ตันนะมันเหมือนไปได้อย่างใจคิดเทียบกันตามอย่างเราอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ก็มองเข้าไปหารูปปรมา์ว่ามีรูป คำว่ามีรูปตรงนี้หมายถึงรูปปรมัิต์ประกอบด้วยมหาพุทธรูปสี่บางแห่งก็ว่าอุปาทารูปด้วยแต่มหาพุทธรูปสี่นี่ก็ดินน้ำไฟลมตามสภาพปรมัทิตย์เพราะเป็นรูปไอ้จริงๆมันกายนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการประกอบคุมของรูปหลายๆรูปท่านไม่ได้บอกว่าผมคนเล็บ น, นี่เอาปรมาิตย์เลยคุมกันขึ้นมา ก็ดูทีละตัวทีละตั ว, ต, วตามลักษณะที่เป็นประมัตสภาวะเพราะนั้นตรงนี้นะคือกำหนดจับรูปปรมัติได้กาหนดจับรูปประมัติได้แล้วก็สาวไปหาเหตุอย่างหยาบว่าอัตภาพนี้ที่มาอย่างหยาบที่เข้าใจได้เห็นได้เกิดจากใคร เกิ <rane S 2> ดจากมารดาบีดานี même, ่บังเอิญท่านสอนพระที่เป็นมนุษย์สอนมนุษย์ว่สอนอย่างนี้และสอนเวลาเวลาสอนปฏิบัติไม่ต้องไปนั่งจารันไนวาภูมิโนนเกิดอย่างนี้มเกินเกินจังหวะความต้องการของผู้ฟังที่สมควรจะปฏิบัติควรกำหนดในขณะนั้นก็นึกนี่คือความคิดในขั้น ขั้นปฐมที่นี่ตรงนีนะ้เราอ่านนี้แล้วก็สงสัยว่าไอ้อย่างนี้ไม่ต้องทำพิพิธานามก็รู้นี่ใช่ไหมฮะทำไมจะต้องมาบอกอย่างนี้เราก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องทาพิพิธานาก็รู้ผมเคยสงสัยตั้งแต่เมื่ออ่านมาช้านา น, นไม่เห็นจะวิเศษตรงไหนอ่านไปถึงอภิยายวิเศษกว่าทั้งเยอะถามว่า มันเหมือนกับที่เรารู้หรือที่ผู้ปฏิบัติเห็นแน่นอนไอ้จุดตั้งต้นเขาจะนึกไปถึงพ่อแม่ทึ่เป็นผู้ให้กำเนิดแต่ถามว่ามันรู้อย่างที่เรารู้หรือตอบว่าไม่ใช่อย่างที่เรารู้ความรู้สึกถึงเหตุถึงองค์ประกอบและอย่างคนที่เขาได้อัญญาเนี่ยนะเขาสามารถที่จะพูดง่ายมองเข้าไปเห็นสภาพของตัวเอง ตอนเกิดว่าเกิดยังไงซึ่งก็ไม่ได้ไปติดไอ้ไอ้ภาพพจน์อันนั้นแล้วนะแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ยมันเป็นที่อาศัยที่ทําให้จิตแทงลึกเข้ามาสู่กระแสะเหตุถึงขนาดที่จะพูดได้ว่าอาพ่อแม่ของเราเราทําอะไรมาอย่างไงถึงได้มาต้องมาเป็นลูกพ่อแม่อย่างนี้แล้วก็มาอยู่ในคันมีสภาพเป็นอย่างไรย้อนกลับไปสู่อดีตอย่างนี้ได้จริงๆสําหรับคนที่เขา เดินตามสายอาภิญยาเพียงแต่ว่าเห็นแรมกระทบก็ไปหาประมาทชั้นลึกไม่ใช่ตัวใช่ตนดังนั้นเติบโตด้วยข้าสุกและขนมสซบขนมโซบนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยหลักที่ไม่ใช่แค่นี้เหตุปัจจัยอย่างอื่นด้วยกรรมจิตอุตุอาหารด้วยแต่ว่าเอาไอ้ปัจจัยที่ถือเป็นหลักสเพสตารัสติกาเป็นสัตวทั้งหลายดำรงชีวิต หรือดำรงตนอยู่ได้ด้วยอาหารก็อันหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งเป็นปัจจัยอย่างที่อ้างขึ้นมาเป็นหลักเป็นพยานเบื้องต้นเพื่อเข้าถึงรายละเอียดในขั้นลึกลงไปแล้วก็ต่อไปไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันทําลายไปเป็นธรรมดาตรงนี้เริ่มกาหนดจับไตรลักษณ์เป็นเบื้องต้น จากกายภาพหยาบเนี่ยเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็เข้าไปหารายละเอียดงั้นไอ้เบื้องต้นเนี่ยบางทีมันก็มีต้นของต้นต้นของต้นผมก็ยังไม่ได้เอามาเรียงอ่าให้เห็นเป็นพิสดารนะผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูกันได้ต้นของต้นไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่ามันมันเป็นต้นใกล้ชิดกับวิวัฒนาและจับเข้ามาถึงข้างใน่ะไอ้บางคนก็ต้องไปเริ่มต้นจากข้างนอกคืออไตรลักษณ์สมมุตินามรูปสมมุติข้างนอก แล้วก็ดึงกลับเข้ามาหาตัวเองแล้วค่อยๆกินลึกครับเหมือนอย่าง <c oughs> รายของภิกษุณีรูปหนึ่งที่เธอชื่อว่านางสามาแล้วก็บังเอิญเป็นสาหายของนางสามาวดี้วยนางสามาวดีได้ประสบเคราะห์กรรมตายไปด้วยถูก ลูกอะไรจำได้ั้ยนางตามาวดีถูกใส่ลายจนโดนฆ่าตายนางเองเป็นเพื่อนเห็นแล้วก็สลดใจก็เลยไปบวชครนี้เมื่อไปบวชแล้วพระพุทธเจ้ า, า, าไปบวชไปบวชกับพระนางพระนานาง ก็สมาทานวิปัสสนาว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ก็ทำจริงๆนะทำความเพียรอย่างเรียกว่ารุนแรงจนกระทั่งจับร้อนได้หมายถึงเพียรมากจนร่างกายมันร้อนถาดไฟร้อนรพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่า น, นางเพียรแรงเพียรจัดเกินไปแล้วก็ถาดไฟร้อนเราจึงได้อ่า คืออย่างนี้พอนางร้อนเนี่ยนางแก่อย่างนี้ฮะทาอยู่ในเลนกรรมฐานทั้งตัวที่พักที่หลีกเล่นอยู่พอร้อนทนไม่ไหวก็ออกมานอกห้องทีเข้าเข้าออกอยู่เก้าครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็มาเมื่อครั้งที่กับแล้วก็มาแสดงธรรมสอนให้หย่อนพรอนผ่อความเพียร น, นางเพียรจัดไปจนร้อน นางเนี่ยเมื่อสมัยอดีตเนี่ยคงจะได้ทำกรรมร่วมกับคล้ายๆกระนางสามาวดีที่ไปไปเผาเปล่าไว้เขาเผาเป็นๆ เ, เ, นเนี่ยเพื่อนที่ทำตรงๆก็เลยตายในชะตากรรมนั้นร่วมกันนางคงจะไม่ได้ทำรุนแรงขนานดะนั้นนะ อาจจะไปยินดงยินดีอะไรก็ได้มันก็เลยมาปรากฏเป็นวิบากกรรมในกรรมาฐานเมอนอย่างที่คล้ายๆอย่างที่เราพูดกันอีกองค์พูดอีกองค์ชื่อว่านางอัญจตรานี่ประลาดครับบรรลุเป็นพระอนาคามีในครัวบรรลุอะไรรู้ไหมกาลังทํากับข้าวอยู่คือนางเนี่ยในนั้นได้เล่าว่าใน เทลีคถานะที่ล่าหนังประวัตินาง น, นางสร้างสมบรรมีมามากขนาดว่าแต่ชาติบางก่อนเนี่ยเคยบวชตั้งแต่ยังเด็กสมัยพิทเจ้าองค์ก่อนพอมาเกิดในชาตินี้ก็ได้แต่งงานแต่งการแล้วก็ออกเลือนแล้วในระหว่าง น, นั้นก็สนใจธรรมะถึงขั้นปฏิบัติไปสำนักปิยษุนีฟังเรื่องวิปัสนาชื่นชมชื่นชอบอย่างยิ่งกระทั่ง มาขออนุญาตสามีบวชเนื่องจากว่าเธอเป็นที่รักสามีไม่ยอมนางก็เลยคิดว่าอาล่ะเราอยู่กับบ้านเราก็จะพยายามทําวิปัสนาอยู่กับบ้านเวลาทํากับข้าววันหนึ่งหุงข้าวเอาฟืนใส่เตาไฟลุกอย่างแรงยทั้งทําหน้าไหนไม่รู้ไฟจะไหม้มอผักในในในหม้อแห้งจะไหม้เอาเสียงในนั้นบอกว่า เสียงหม้อลั่นเปรียปร้ยวๆแล้วทำท่าจะแตกแล้วนางทำวิปัสนาเรื่อยไปพอนางเห็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ตกใจวิปัสนาหลุดนะนางได้กำหนดเป็นพยานเบื้องนอกว่านี่ไฟนี่ความแตกดับรูปนามเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ก็ตั้งวิปัสนาขึ้นภายในตั้งวิปัสนาว่า วิพัฒ น, นากำฐานได้บรรลุเป็นพระอนาคามีต่อหน้าเตาไฟเลยอย่าได้กลับไปลองที่บ้านเนี่ยอย่ปล่อยให้ไฟไหม้ไม้เตาไหม้เตาผ่านไหม้บ้านเลยก็บรรลุเป็นพระอนาคามีในที่สุดเนี่ยก็ต้องไปยื่นคำขาดกับสามีว่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องบวชสามีก็ เลยต้องยอมก็จะด้วยบา ร, รมีทำถึงก็ไเลยนะนอกจากยอมแล้วยังพาไปส่งไปฝากฝังก็พนานางนะฝากฝั ง, งความจริงไม่รู้ใครควรจะฝากใครนะควรจะฝังใครภูมิทรรม่างนั่นเนยอะก็เรื่องนาจของที่ตัวเองเป็นสามีมก็ไปทำหน้าที่ก็พอไปบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระหลานคือนางตั้งใจอย่างรุนแรงบาเพ็ญความเพียรต่อก็บรรลุเป็น จากนั้นไอ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าพวกพิสุณีเนี่ยเขาจะอะทิวาเนี่ยเขามีไอ้เบื้องต้นนะไอ้เบื้องต้นที่จะจักนํามันไม่ได้เป็นวิปัสนาตรงนั้นแต่ว่าคนที่เขาทําบารมีมาแรงเนี่ยเหมือนอย่างพวกธรรมชาญเดินไปเห็นลานเนี่ยใจกําหนดดูลานแล้วก็นิมิตเก่าที่ตัวเองได้ผุดขึ้นมาเลยชาญได้ทันทีอตามาบัตได้ทันทีคนทำวิปัสนาเพราะไปเห็นข้างนอกอะไรที่เป็นละแคละกาย ไปสอดคล้องกับกรรมของตัวเองเข้าความคุ้นเคยตัวเองเข้าวิปัสนาญาณก็เริ่มตั้งต้นฉวยหน่วงเข้ามาข้างในแล้วก็เดินวิปัสนาต่อข้างในบรรลุเป็นพระอริยนี่ยเป็นอนิจจังนอกตัวเนั้นเวลาได้ออนิจจังจริงๆซึ่งคราวหน้าเราจะพูดกันเนี่ยมันจะมีเริ่มก่อตัวขั้นหยาบแล้วก็เข้าไปหากันละเอียดเป็นลําดับชั้นไป ึือจริงๆเรื่องพวกนี้นะมันไปบังคับเล่งกันเอาเป็นเอาตายก็ไม่ได้แต่ก็ก็ต้องพยายามทีนี้เราดูต่อวินิดนึงว่ากําหนดรู้นามส่วนที่กําหนดรู้นามว่าวิญญาณของเรานี้และวิญญาณคือหมายถึงว่ากําหนดว่ากายของเรานี้แล้วก็วิญญาณความคิดท่านเอาวิญญาณเป็นหัวหน้าก็คือนามะทะนามะขันนั่นแหละนี่กําหนดจักนาม อาศัยกายนี้เพื่ออยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ไม่ใช่เบื อ, อยู่เนื่องอยู่เนื่องอยู่ในกายนี้ก็แยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นความเป็นเหตุเบื้องต้นว่ามันเหมือนกับคนอาศัยเรือนนี่ความเป็นเหตุเบื้องต้นแล้วก็ในนี้นะทำไมาได้แจกแกงจารันในโดยละเอียดซึ่ง จะต้องเข้าใจได้โดยการผสมก็เป็นอันว่าน้ำเนี่ยก็เป็นการแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นไตรลักษ์ไปในตัวโดยปริยายด้วยเพราะว่าเมื่อเหตุปัจจัยไม่เที่ยงผลที่เกิดจากเหตุปัจจัยก็ไม่เที่ยงไปด้วยจึงเท่ากับ ว, ว่าในนี้นะได้พูดถึงยานหนึ่งแยกการแยกรูปแยกนามยานสองเหตุปัจจัยของรูปนาม แล้วก็ยานสามยานสี่พัไตรหลักมีเป็นการพูดถึงอารมณ์วิปัสนาที่จริงก็มีอยู่แค่นี้ที่เป็นตัวอารมณ์นะความเห็นอารมณ์ส่วนไอ้ความรู้สึกการบ่มความเห็นนี้ให้ได้ยานทัศนะแง่มุมละเอียดนั้นเป็นรายละเอียดที่อยู่บนลักษณะสามอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบเทียบ ไ, ไว้ดีว่าเหมือนกับบุรุษที่ตาดี เอาแก้วมานีที่มีเชือกร้อยเอามาใส่ในฝ่ามือแล้วก็ดูมุมนั้นมุมนี้ว่าเห็นนามรูปตําตาด้วยยานเหมือนตาเห็นอย่างนี้ท่านพยายามจะบอกอย่างนี้นั้นบางคนเนี่ยเคยพูดเองว่าทําไปแล้วเนี่ยเหมือนกับโลกทั้งโลกมาอยู่ในฝ่ามือเห็นโลกทั้งโลกอยู่ในฝ่ามือเขาพยายามบอกถึงความชัดเจนของการเห็นที่เขาเห็น ว่าเห็นเห็นอันตภาพของตัวเนี่ยเหมือนเอาโลกทั้งโลกมาอยู่ในฝ่ามือหมายก็ว่าของซับซ้อนของใหญ่ลึกซึ้งแต่สามารถที่จะมาทาให้อยู่ในฝ่ามือแล้วพลิกดูมุมนั้นมุมนี้ได้อย่างใจปราดคงจะได้แค่นี้ห่ะมะั้งผมบอกแล้วว่าที่เหลือให้ไปอ่านเองที่บ้านอธิบายหลักๆให้ฟัง อย่างน้อยเราก็รู้ว่าคนทำได้หลายแบบและเห็นดำเนินตามนัยยะได้หลายแบบแล้วก็จะได้นึกว่าที่เราถ้าเราได้ทาเห็นทำรู้อยู่เนี่ยมันควรจะอยู่ใกล้เคียงกับแบบไหนที่ได้คัดมาเห็นตัวอย่าง